ทร้า้นมาเพราะธรรมชาติมันพัาเราไทอะไรไม่ได้สางใเราเหมือนธรรมชาตาเรากราราลาได้ตได้ เวลาร่างใายจะตายไปเราจะทำอะไรไม่ได้สิ่งที่เราต้องหัดทำก็คือใจท้าใจเป็นสิ่งที่เรายังทำได้ใจเรายังสามารถควบคุมองคระกบให้ตั้งอยู่ในทางสงบได้ถ้าเราฝึกฝนอย่างเดียวควบคุมองค์ประกอ้ตั้งอยู่ในทางสงบอยู่เรื่อย ีเหตการที e ch ch er ่ Stock ิขึ้นมาะทบจใใจจะได้ไม่วาใจจะได้ไม่ทะยาไม่บุใจไม่ได้รักษาัจให้อย่ความสงบ่ได้เวลามเหตุการณมากะทบจจใจจะทะยทจนถึใจจะเลีังต่อู เราการควบคุมอย่างมากทางเรื่องการอบรมจิตใจเป็นเป้าสุดที่สำคัญอยายมากสำคัญกว่อการดูแลรักษาร่างกายหรือรักษาสิง่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็สิง่งต่างๆในโลกนี้ ส like like like like nah so ึงที่เรารักษาไม่ได้ตลอดเวลาน่เองบางเวลาเราก็รักษาได้บางเวลาเราก็รักษาไม่ได้เวลาที่เรารักษาไม่ได้วันนั้นเราจะทุกมานใจแต่ถ้าเราได้ฝึกฝนอบรมควบคุมรักษาใจให้ตั้งอยูม่ฆ่าชีวิตก็เวลา เืลาที่เราไม่สามารถรักษาอะไรได้เราก็จะไม่เดือดร้อนจริงๆแต่ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือควาารหน้าที่ของเราถน้าใจคนของเราและไม่มีผูอ้อื่นที่จะมารักษาดูแลแทนออได้เราต้องเป็นผู้ที่ต้องรักษา ดูแลองด้วยการน to ้องมาเข้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาปฏิบัติสอนต่อท่านใท่านหลังขึ้นใจเป็นถึงข่้นสูงสุดการปฏิบัติทางการทิธคกรสอนของพระพุทธเจ้านห้ตั้งหน่วยการเดินขึ้นบันได ถ้าจะาข้ามั้นก็ต้องกระโดถ้าเดินขึ้นมือเดยไม่ได้กามที่กระโดดขึ้นไปั้นก็ควรจะยากไม่ควรที่จะพยายา ม, มาตามข่านตั้งแต่ขั้นหน่งนขึง้นไปจนถึงขั้นสุดท้ายข้าราชกที่ท พ, พระเจ้าทรงสอนให้ที่ภ า, าษาพุทธประเพณีปฏิบัติกันก็คือการคำทภา การทำาจนี้เป็นการฝึกอดพรมจิใจและให้ยึกจิดอยู่กับทรัพย์สมบัตบบบเท้าทองเนทองต่างๆเพราะถ้ายึกจิตเวลาที่ต้องพัดพาจากทรัพย์สม บ, บัตเท้าของเงนทองเวลา น, นใจจะพุ่งขึ้นมาใจจะทุกข์ทรมานใจ ถ้าเราจุดการฆ่าฆ่าด้วยการเสียสละทับคำบอกข้าของทางส่วนที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยหรือจะต้องจุดเอาไว้เอาไปให้แก่ผู้จะให้ใครจะได้ที่รับให้สำคัญสำคัญอยู่ที่ผู้ให้ ว่ายินดีจะให้หรือไม่ถ้ายินดีจะให้พร้อมที่จะให้เวลาให้แล้วแทนที่จะมีความทุกข์ก็ความสุขคือให้เราปล่อยวางด้วยทางยินดีนั่นถ้าเราฝ่อยไปเรื่อยๆด้วยทางยินดีรอถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยเราก็จะปล่อย ได้อย่างสุขอย่างสบาะ ค, ะคือทั้นตอนเราต้องปล่อยวางท่าของแบบข่าวของเินทองต่างๆแล้วก็บุคคลต่างๆด้วยแล้วก็สถานภาพต่ตางๆที่เรามีอยู่คือสุขแล้วก็คือให้เราสละราล่ายลบสรรเสริญสละความสุข การตาหูใจร่ากายกถ้าเราฝึกทำอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถปล่อยวางได้เราก็จะได้ออกแบบได้ได้ออกมาประตูบานทำขั้นที่สูงต่อไปได้ขั้นขั้นที่สูงขั้นที่สองก็คือสูนย์นเองศูนย์ก็คือกาง ให้เดือดบดือนผู้อื่นและใจนนบได้จากการหาความสุขการสร้างใจกาตาเห็นเป็นหนึ่งใจก็คือต้องถือศีลของนักบวชศห้านีเป็นสีงที่เรารักษาพรอมๆกับที่เราทำทานแต่พอเราทำทางได้ถึงที่แล้ว เรารเก็จะปะหยัดเึสูงสินปาในสิสออี่สิบสนองนักบวกคือเราจะมิติการหาความสุขทางร่างาทางตาหูจมูกลิ้นกายึพ่สินข้อสาก็จะเป็นอทความจริยาเระมนุเป็นสินภรมจังคือจะไม่ร่อมหลอก้อน ก, กับผู้อื่น แล้วถึงข้อโหดก็คือการไม่รับประทานอาหารหลังเช้าวันไปแล้วเพื่อจะได้ไม่หาความผิดจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารเป็นเหมือนกับรับประทานยารับประทานเพื่อรักษาให้ร่างกายผูวจะได้วันวันหนึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานเป็นวันละหลายครั้งหลายรอบดยกัน ถ้าเป็นนักบวชนี้ท่านก็จะนิยมรับประทานนอนหนึ่งชมและวการรับประทานก็รับประทานแบบเรียบง่ายสดวข้ีจุอาหารทั้งหมดก็เอามารวมกันไว้ในภาชนะอันเดียวที่เอาไว้นบาตแล้วก็อาจจะทุกกันให้มันรวกันเปนอาหารชิ้นเดียวเพื่อเป็นการต การมสัมผาสเพือความมัน่นคงในรูปรสกลิ่นรสของอาหารเมื่อทานจริงแล้วอาหารนี้มันเข้าไปในร่างกายและจะต้องเข้าไปรวมกันในท้องอยู่ดูสภาพของอาหารที่รวมกันในท้องเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างไรเมเวลาที่เราอาเจียนออกมา นั่นแหละคือสภาพของอาหารที่แต่ต้องเข้าไปอยู่ในทะะ้องเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทุ่นวายกับสภาพอาหารที่ยังไม่ได้เข้าไปในท้องอาหารเข้ากะจัดมาบางที่เสืยงยามอย่างไรนี้นเราก็อย่าไปหลงกับรูปกับสูสันเราควรที่จะทำลายทำหลงนี้ด้วยการเอาอาหารทั้งหมดที่เราจะรับประทานนี้ ทำรวมในภาชนะอันเดียวกันแล้วก็คนกันพุบกันเข้าไปให้เป็นเหมือนกับอาหารที่จะเข้าไปอยู่ในท้องต่อไป น, นี่คือการรับประทานอาหารแบบนักปฏิบัตริรับประทานอาหารเพื่อกำจัดพิโรธทูตามาฉมนทะความชอบความอยากได้ในรูปเสียงกิ่นรส ของอาาแล้วเราก็มาแต่งกายบบเลียบหน้าไม่ต้องการหาความสุดจากการแต่งเสื้อผ้าแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าพรที่สวยงามวิสุทธิศดาและใช้เครื่องสำอางใช้น้ําหอม น, น้ํามันอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดกลิ่นหอนมเพื่อได้ความสุดจากการได้กลิ่นที่หอม เพื่อจะได้ตกติดสิ่งที่ไม่หน้าตาปัญหาของร่างกายเราต้องการที่จะทำลายความหย่อนั้นต้องการให้เราได้สัมผัสกับความจริสัมผัสถึงความไม่สวยงามถึงความเป็นปฏิปุระของร่างกาพราะการที่เราเกิดกจรมารยนขึ้นมาก็เพราะว่าเราไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยงาม ไม่เห็นส่วนที่สกปรก ข, ของร่างกายนั่นเองตอนนี้เราต้องการที่จะตัดการมาลพิษเพราะการมลพิ น, นี้เป็นเป็นอุปสรรคต่อการทำใจให้สงบเป็นอุปสรรคต่อการดุดเคนจากการโยมไหว้าตายตืเราจรึงไม่ให้หาคามสุขจากการแต่เนื้อแต่งตัว ดยเสื้อผ้าอาภรณูเสียา ง, งานงานใช้เครื่อสงสำอางและน้ำหอม ต, ต่างๆเพื่อมาปลกแต่ความสงบความไม่สียงานของร่างกายแล้วเราก็จะไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นการร้องรำทำเพลงการดูภาพยนตร์ดูละครเราจะหาความสุขจากการภาวนา คือการถอนจิใตใจให้สงบด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสติสตนี้จะเป็นผู้ที่จะพาจิตให้เข้าสูาส่ความสงบถ้าไม่มีสติมุงจิตให้เข้าข้างในจิกตก็จะถูกกามมัจฉาเกิดกุเลตังหาผลดันให้ออกไปทางตาผู้สงบยิ่งใจ ให่ไปหาทางเด็ดทางลูกเสียงสุนทรครัาถ้าเราไม่มีกำลังที่จะเดินจิตเข้าข้างในชูกาลังของชิเลศตัณหาไม่ได้ใจก็จะหาความสมับไม่ได้การที่จะเข้าข้างในได้นี้เราก็ต้องอาศัยศีลเนี่ยที่ศีลแปที่รักษาตั้งอยู่แล้วก็ต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงบ ด, ด้วย เราต้องอยู่ห่างไกลจากเสียงสิ่งลดปวดประทัดที่เยื่อโยนตัวใจที่คอ ย, อยาลอกลวงให้ใจเข้าไปหาเราต้องไปอยู่กางสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างเกตเช่นไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มีเสียงสิ่งลดปวดประทัดที่เป็นธรรมชาติที่เป็นตาที่ไม่ไม่ดึงดูด ให้จิตใจออกไปหาความสุขถ้าเราไปอยู่การจะทที่สงบสงัดยิ่งยเอยู่ตามลำพังไม่อยู่หรือแม้ว่าจะอยู่กันหมายคนด้วยกันก็จะไม่คุกคือกันจะมารวมกันก็เฉพาะเวลาที่จำเป็นจะต้องทําภารกิจร่่นกันเช่นเวลามารับประทานอาหารหรือเวลามาทำความสะาดสถานที่ แต่เราจะไม่มาคุยกันมาสนทนากันมาปรับใุ้กันเราจะทำภารกิจด้วยสติจดจอยู่กับงานที่เราทำอยู่โดยอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องปูกใจบุญใจไว้ให้เข้าข้างในเช่นการเรามกามพุทโธพุทโธไปไม่ว่าเราจะทำสิทธิอะไรก็ตาม กำลังปัดแต่งกำลังทำความสะอาดสถานที่ทำการรับประทานอาหารทำการล้างหน้าล้างตาอาบน้าหรือทำอะไรเราก็จะวริกรรมพิโชตไปไม่ให้ใจคิดถึงรเลือกเสียงสุนทรภพะหรือแี้จะทำภารกิจร่วมกันก็จะไม่คุยกัน า, คนางคนต่างทำภารสิจของตน การเนต่างจเจริญสติของตนไปโชคคู่กันงๆพอเสร็จการกิจเราก็จะแยกกันไปอยู่ตามสถานที่ของตนเพื่อจะได้จเจริญสติต่อด้วยการเดินเป็นตนด้วยการนั่งสมาธิสลับกันไปตามแต่ความเหมาะสมการเดินห้วยการนั่ง น, นี้ไม่ได้เป็นตัวสําคัญตัวสําคัญคือตัวสติเราเดินก็เพื่อจะ เจนัญจิตเรานัองเพื่อที่จะเจริญจิตแต่ที่เราต้องเดินสลับกับการนั่งก็เพราะว่าว่างกายมือจาเป็นจะต้องมีการเี่ยนิเลี่ยนเดชถ้านั่งนานๆางกายก็จะปวดจะ่วได้ถ้าเดินนานๆก็จะปวดเมื่อได้เช่นเดียวกันก็จาเป็นที่จะต้องมีการสลับอิี่ยนเด แต่เรื่องของการเจริญสตุนี้ไม่มีการยับยั้งไม่มีการหยุดทำต่อมีเวลาเดียวที่จะไม่เจริญสตุก็คือเวลาหลับนอนอยาลาก่อนจะหลับนอ น, นก็บริกรรมพุทโธไปจนกระทั่งหลับไปพอตื่นขึ้นมารู้สึกตัวก็เริ่มบริกรรมพุทโธต่อไปอันนี้เป็นขัน้นแรกของการพรินาของาท า, างปัิบัติ ถ้าส ต, ติมีกำลังมากก ต, ติจะลามารถเบืนใจไม่ให้ออกไปข้างนอกได้ถ้าส ต, ติมีกำลังน้อยก็จะซื้อกิเลสตัณหาไม่ได้ก็จะถูกกิเลสตัณหาลึออกไปหาเพื่ อ, อนรอต่างๆไปหาเรื่องเสียงจิตโลกต่อไการปฏิบัติเรื่องต้นนี้จึงเป็นเหมือนการชักเยือกกันระหว่างส ต, ติกับกิเลสตัณหา ระหว่างกิเลสจัดทำ่ายทาฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะฝ่ายนั้นก็จะได้ใจต่อฝ่ายกิเลสชนะก็จะได้เอาใจไปที่ว่าใจรูปเสียงจิลทถิดครัถ้าสติชนะก็จะเอาใจเข้าสู่การใส่เข้าสู่อัปปนาสมาธิน้นถ้าย่างาจะให้ใจของเราเข้าสู่การใส่ เราก็ต้องมันพยายามสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่เต็มจนหมดแล้วเราต้องพยายามอยู่ตามลาพังอยู่คนเดียไม่มีภาวะจิตอย่างอืงอ่นที่จะต้องทำเพื่อที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่สลาดร่าบร้สุทธิ์แสงจิตทางตาหูจมูกลิ้นกายไปเพื่นพระพุทธเจ้าทรงเสด็จออกจากพระราชวัง ทรงสละทศนิยมแล้วก็มุ่งไปสู่ป่าสื่เขาด้วยไปจลาจลติรักษาสิ่ของนักบวดแล้วก็ตลาจสติอย่างต่อเนื่องด้วยการเดินจนเต็มสลับกับการนั่งสมาธิทำไปจนในที่สุดก็สามารถคงจังให้ควรเป็น สมาธิได้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเป็นอุเดกขาแต่เรเวลาที่จุดเรือนี้จะได้พบกับความสุขที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ท่างที่ได้ชมจากัรไว้ว่านักสิสสันติบาลสิทธังไม่มีสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบ เรามีความสงบมีอุเบกขาและใจก็้จะสามารถปล่อยวางสิ่งที่จะต้องปล่อยวางท่านต่อไปได้ก า, ารมาเบื่อนี้ก็ได้ปล่อยวางไประดับหนแล้วคู้ปล่อยวางราบยศนรสเสลปล่อยวางลูกเสียงผีรดสุขภพตอนนี้เราจะมาแต่อวางร่างการปล่อยวางขันห้าคือร้อเวทนาสัญญาสญขงขารหยุดหย หลังจากนั้นเราก็จะไปาจิตอีกทีเพราะเวทนาสัญญาสังขารยุ่งยากตรง น, นี้ยังถูกเปลครอบครองอยู่ยังมีเปลือเป็นเจ้าของจิตก็ยังมีจปลือเป็นเจ้าของเราจึงต้องม า, า, มากำจัดตัวที่มาครอบครองหรูปเวทนาสัญญาสังขารยุ่งาก เราต้องพิจารณาปลาัทในร่างกายในเวทนาในสังขารในวิญญาณในสังญาการพิจารณาก็คือให้เราพิจารณาความที่ร่างกายนี้แหละเวลาเราพิจารณาร่างกายเราพิจารณาตามหลักความเป็นจริงเราไม่พิจารณาตามเฉลขึ้นความหลงที่เลยจะพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา คือจะมืมอทานยาให้ร่างกายไม่แตกไม่เจ็บไม่ตายเราต้องมาแค่คือด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วจะต้องแตกจะต้องเจ็บจะต้องตายอย่าง แ, แน่นอนร่างกายนี้เป็นเพียงบุญ น, น้ำํำลงไฟมาจากอาหารที่รประทานอาหารก็มาจากบุญ น้ำที่เราดืใจเข้าไปก็เป็นภาพน้ำลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นภาพลมความร้ที่เราได้รับจากพระอาทิตย์ได้รับได้รับจากพลัางานของอาหารที่อยู่ในร่างกายก็เป็นภาพของนี่พอเวลาร่างกายหยุดทางานธาตุทั้งส่ก็จะแยกทานไป เม sure> um> ื่อต่อนธาตุทั네้งสี่มารวมกันในร่างกายธาตุดินก็เข้ามาในร่างกายธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เข้ามาในร่างกายพอร่างกายหยุดทำงานธาตุทั้งสี่ก็จะแยกทางกันไปธาตุลมก็จะลอยหยออกจากร่างกายไปธาตุไฟก็จะดับไปร่างกายของคนตายจะเย็นจ้าร่างกายของคนที่มีชีวิตอยู่ แล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไปนานเท่า่าบน้ำก็จะไหลออกมาไหลออกมาจนกระทั่งแห้งหมดไปพอแห้งก็จะเหลือแต่ภาพดินที่จะกรอบแล้วก็จะกตายเป็นดินไปในที่สุดนี่คือการพิจนรณา ร่างกายเพื่อให้เห็นชัดๆว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นการรวมตัวของธาตุสีดินน้ำลมไฟใจเพื่อที่มาครอบครองนี้เสนเอนผู้มาเชิดร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นเหนื้อหุ่นส่วนใจนี้เป็นผู้เชิดถิ่นเท่านั้นเองใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกาย ก็จะเกิดขึ้นกับร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ได้จะเกิดกับใจเพราะใจมีธรรมชาติที่ตกต่างกับร่างกายใจเป็นธาบรู้ถธาบรู้นี้ไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเจริญไม่มีเสื่อมเพราะธาบรู้ไม่มีรูปไม่มีร่างธาบรู้มีแต่ความรู้กับความคิดเพียงแต่ความคิดนี้ เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความจรงิงเป็นความคิดที่ถูกอาวิชาความหลงความมุ่ดบอบเชี่ยนสอนให้คิดไปในทางที่ผิดที่เรียกว่าวิชาที่ผิดเห็นผิดคนชอบเห็นหน้ากายที่ไม่เชื่อตัวตวนว่าเป็นตัวถูงเห็นหน้ากายที่ต้งแต่ต้องเจิบต้องตายว่าจะต้องไม่แฝดไม่เจ็บไม่ตายจึงเกิดปัญหาความอยากขึ้นมา อยากให้ร่างกายไม่แฉะไม่เจ็ดให้ตายเวลากเกิดปัญหาขึ้นมาภายในใจก็จะเกิดผ่านทุกใจเพราะปัญหาเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจใจไม่ได้เป็นอะไรแต่ใจตับต้องไปทุกข์แทนร่างกายร่างกายเป็นผู้ต้องแฉะต้องเียบต้องตายแต่ร่างกายไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของตง ว่าร่างกายไม่มีความชิดไม่มีความอยากไม่มีความรู้นั่นเองนี่เราพิจารณานี้เพื่อแก้คว า, า, ามหลงาันใจให้ใจเห็นอย่างชัดๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเอาราเวทนาคือความเจ็ของร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นความเจ็บของร่างกายเราเป็นเพียงผู้รับรู้ความเจ็บเทนั้นเองแล้วถ้าเราไม่มีความหลง เราจะสามารถรับรู้ได้อย่างไม่วุ่นวายใจเลยถ้าเรามีอุเบกขาถ้าใจเรามีสมาธิแล้ว <c oughs> เวลาเราสัมผัสรับรู้อะไรถ้ามีปัญญาคอยสอนไม่ให้ปิย่าไม่ให้ไฟวุ่นวายใจใจก็จะอยู่เฉยได้ <c oughs> ถ้าไม่มีปัญญาสอนใจมีกิเลสสอน ใจก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่มีสมาธิอยู่แล้วก็ตามแต่พอถูกกิเลสหลอก ว, ว่านี่เป็นตัวเราของเราเราเป็นผู้เจ็บก็จะเกิดความอยากไม่ให้ความจ็บอยู่กับเราอยากให้ความจ็บขายไปก็เกิดความอยากขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ทรมารย์ใจขึ้นมาที่รุนแรงกว่าความจ็บของร่างกายหลายสิบเท่าด้วยกัน สิ่งที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายสิ่งที่เราทนไม่ได้ก็คือความเจ็บของใจที่เกิดจากความไวความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปเพราะความหลงหลอกให้มีความอยากนี้ขึ้นมาเพราะหลงคิดว่าตนเองเป็นร่างกายเวลาร่างกายจ็บก็อยากจะให้ความเจ็บที่ร่างกายหายไป แต่ถ้าเราได้มาศึกษาได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังคาสอนของพระพระุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนให้พวกเรารู้ว่าความเจ็บนี้เป็นของร่างกายไม่ได้เป็นความเจ็บของใจการเจ็บของใจนี้เกิดจากความอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปถ้าไม่อยากจะให้เกิดความเจ็บทางใจ ก็ต้องหักทําใจให้เป็นอุเบกขาทาใจให้รู้วางเฉยปล่อยวางเรื่อยๆให้ปล่อยวางาาร่งางกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ปล่อยวางาาร่างกายพอปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่งางกายก็จะสงบก็จะบรรลุธรรมขั้นแรก ที่เรียกว่าท่านของพระโสดาบันคือความเห็นที่ว่าร่างกายเวทนาสัญญาสังขารมิยามเป็นตัวเราของเราแต่ตอนนี้เราได้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามายืนยันแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่งให้เป็นอย่างอื่นได้เหมือนกับฝนที่ตกบางทีมีไม่มีทครไปสั่งให้ฝนหยุดได้เราก็ไม่เหสียใจเพราะเรารู้ว่าเราห้ามฝนไม่ได้ฝนจะตกเราไปสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ฝนใดร่างกายกับเวทนาก็เป็นเหมือนกับฝนแบนั้นร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ ร่างกายจะเจ็บจะปวดตรงนั้นเราก็ห้ามถาไม่ได้ถ้าเราสามารถปฏิบัติกับฝนตกได้ทําไมเราจะปฏิบัติกับร่างกายกับความเจ็บของเราไม่ได้เราปฏิบัติได้เพียงแต่ว่าไม่รู้ท่านั้นเองเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังธรรมกันและไม่เห็นคุณประโยชน์ของการต่อวานเรา ไม่เห็นโทษของการยึดติดเราจรึงต้องมาทุบ ก, กับขาหน้าต้องมาทุบ ก, กับร่างกายทุบ ก, กับเวษนาเพราะเราอยากจะให้ร่างกายเป็นปัจจัยตามที่เราต้องการไม่ได้เราอยากให้เวษนาเป็นไปตามความต้องการของเราไม่ได้เวลาเราแก่เราก็จะทุบเวลาเราเจ็บไข้ได้ส่วนเราก็จะทุบ เวลาเราตายเราก็จะถุกแต่ถ้าเราได้เจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องจนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้เป็นเพียงเล น, น้ําลงไฟเหมือนกับฝนตกแดดออกเราไม่สามารถคุยจะไปสั่งเขาได้พอเรารู้ว่าเราสั่งไม่ได้เราก็หยุดสั่งหยุดอย่างพอหยุดอย่างแล้วเราก็จะสงบ ใจก็จะสมบหายประยุก์หายดิ่งเงินจัอยู่กับความเป็นจริงของร่างกายได้อย่างสบายนี่คือการปล่อยวาง5าห้าปล่อยวางรูปเมตนาสัญญาสังขารอยู่ยางแต่เรายังปล่อยไม่หมดยังมีอีกส่วนหนึ่งของร่างกายที่เรายังไม่ได้ปล่อยก็คือปล่อยการมารมณ์ความรู้สึกรักไข่ร่างกาย เวลาเราเห็นร่างกายที่สวยงามเราก็จะเกิดการมาลงขึ้นมาเกิดความรักใคร่เกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเพราะเราเห็นเพียงครึ่งเดียวส่วนเดียวของร่างกายคือเราไปเห็นส่วนที่สวยงามเราไม่ได้มองในส่วนที่ไม่สวยงามเช่นเราไม่เคยมองเข้าไปใต้ผีหนัง ที่ยังมีอาการต่างๆอยู่อีกมากมายมีสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่เป็นปฏิกูลเต็มอยู่ภายในร่างกายถ้าเราพิจารณาสิ่งที่ไม่เป็นที่ไม่สวยงามสิ่งที่เป็นปฏิกูลอยู่ในร่างกายจนสามารถเอามาใช้ดับความหนงคือความเห็นที่สวยงามได้ เราก็จะดับการอารมณ์ได้ทุกครั้งเวลาเราเห็นส่วนที่สวยงามเราต้องรีบคลิกเอาส่วนที่ไม่สวยงามออกมาทันทีเห็นไครสวยงามก็ต้องนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาฉันไม่ถึงตอนที่เขาเข้าไปในห้องน้าเขาไปทำอะไรเ mm hmm. เขากำลังไปถ่ถายเอาสิ่งที่ไม่สวยงามออกมา mm hmm. เอาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาออกมาให้ hey. ถ้าเราไม่เสี่ยงมือแรงเราก็จะสามารถดับการอารมณ์ได้ถ้าเราดับการอารมณ์ได้เราก็จะไม่มีความต้องการที่จะมีร่างกายของทครมาเป็นคู่คร อ, องของเราต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกว้าเหวจะไม่รู้สึกเศร้าส้อยเหนเียเหนอเวลาอยู่าทางลาพังกับรู้สึกสบาย พอใจสงบใจไม่วุ่นวายที่คือท่านของตายปล่อยวางร่างกายปล่อยวางฐานห้าทั้งในส่วนที่เป็นอนิจจงคือเกิดแก่เจ็บตายทั้งในส่วนที่เป็นทุกข์ก็คือทุกขเวทนาทั้งในส่วนที่เป็นการมารมก็คือก็คือกามลาคะ กวามกำลังดีดีในการอารมที่เกิดจากการไปเห็นรูปร่างหน้าตาที่เสียงามก็เราสามารถมองส่วนที่ไม่เสวยงามควบคู่พร้อมๆไปกับส่วนที่สวยงามได้ใจก็จะไม่เกิดความว่าใจก็จะเป็นอุเบกขาวางเฉยใจก็จะหมดปัญหาต่อเรื่องร่างกาย ผู้ที่หมดปัญหากับเรื่องของร่างกายนี้ก็เป็นพระอริยะขั้นที่สาก็คือพระอนาคามีพระอริยะขั้นที่สามนี้ท่านยังละได้เพียงบางส่วนคือทําให้การอารมณ์เบาบางลงไปแต่ยังไม่สามารถทําให้หมดสิ้นไปได้บางเวลาก็ยังมีการอารมณ์เวลาที่เผลอไม่ได้คิดถึงอสุขะไม่ได้คิดถึงส่วนที่เป็นตับิกล ก็พอเห็นส่วนที่สวยงามก็จะเกิดการมาลลดได้แต่พอเกิดการมาลลดขึ้นมาก็จะรู้ว่าตอนนี้ต้องเจรณาสุภะแล้วต้องพิจารณาต่อแล้วพิจารณาส่วนที่ไม่สวยต่อพิจารณาส่วนที่เป็นปฏิปีนต่อพอทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามอย่างต่อเนื่อง เวลาเห็นส่วนที่สวยงามก็จะเห็นส่วนที่ไม่สวยงามขึ้นมาประกบกันไปมารบล้างกันไปเหมือนกับมีใครเขียนทาเขียนหนังสือไว้บนกระดานดำก็มียางลบมาลบออก ท, ทันทีพอมีคนมาเขียนว่าสวยก็เอาอยางลบมาเอาอสุภะามาลบไป ท, ทันทีจนในที่สุดก็จะไม่เกิดการ ม, มาลงเวลาที่เห็นส่วนที่สวยง ก็แสดงว่าได้ถึงขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีถ้าเกิดยังไม่ได้บรรลุถึงขั้นที่สีถ้าตายไปก่อนก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะใจไม่มีความอยากเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่มีความอยากในกางอารมณ์ไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส ก, กัพัไม่มีความอยากในลาบยศและเสริม ถ้าอนาคานีก็สามารถปฏิบัติต่อไปได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายแลเพราะกิเลสที่เหลืออยู่นี้เป็นรวมตัวกันอยู่ภายในจิตนั่นเองอกิเลที่รวมตัวภายในจิตนี้ก็มีอยู่ห้า<อ>คืออูปปราคะอุปปราค า, อ, า, า, คาอุทั จ, จักมานะและอวิชชา อุปราคาอุปราคะก็คือความหลงติดอยู่กับความสุขของรูปประชากนการอารูปประชานที่เป็นความสุขที่ยังมีการเจริญมีการเสือ่อมเวลาจิตสงบในรูปประชานก็มีความสุขเวลาเสื่อมจากรูปประชานออกมาคิดตุงแต่ก็จะคิดไปตามความอยากผลเกิดที่ยังมีเหลืออยู่ภายในใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ความอยากวามในใจก็คือความถือตัวเรืงองยากอยากให้มีผู้เอื่นเคารพนับถือยกย่องสงรรเสริญไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่ตำหนิติเตียนอันนี้ก็เป็นมานะกิเลสติดตัวนึอ น, นอนวิชชาก็คือความอยากในความสุขที่ลราอยดที่ดีอยู่ภายในจิตนั้นแต่เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นความสุขที่ดีจเจริญมีเสือ่อมเวลาจิตเสือ่อมเวลาความสุขเป็นจิตเสือ่อมก็เกิดอารมณ์หลบหลบขึ้นมาก็าต้องเข้าไปในฌานเข้าไปในรูปฌานอารูปฌานเพื่อที่จะให้เกิดความสง บ, บเกิดความสุขขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติถึงขั้นนั้นก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นตายรักเช่นเดียวกันเป็นอ น, นิจจังทุกขงนนกังอนัตตา เป็นเหมือนร่างกายที่เราจะต้องปล่อยวางผิดจะเสื่อมจะไม่เจริญหมือจะเสื่อมก็ปล่อยเขาเสื่อมไปเจริญไปไม่ต้องไปดูแลรักษาให้รักษาตัวผู้รู้ตัวเดียวให้รู้เฉยเฉยอย่าไปยินดียินร้ายกับการเจริญหรือการเสื่อมของความสุขภายในใจอย่าไปยินดีกับการยกย่อมนับถือหรือดูถูกดูแคลนของของผู้อื่น ให้รู้ว่าตัวตนนี้สถานภาพต่างๆนี้เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองผู้ที่รู้นั้นไม่ได้ไมได่ไม่ได้สูงไม่ได้ต่งไปอย่างใดๆไม่ได้เป็นผู้ที่มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติแต่อย่างใดผู้รู้นี้เป็นสัตว์แต่ว่ารู้เท่านั้นเองขอให้อยู่แบบผู้รู้ก็สัตวแต่เราอย่าอยู่แบบผู้มีตัวตน อย่าอยู่แบบถือตัวว่าเราเป็นคนระดับนั้นคนระดับนี้เพราะถ้าเราถือตัวแล้วเวลาที่เราไม่ได้รับตอบสนองตามสถานภาพของเรา mm hmm. เราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. นี่คือทามท่านสุดท้ายของผู้ที่จะจะต้องละให้ได้ก็คือละการถือตัวละการยืดติดกับความสุขที่ มีความสุขที่ละเอียดที่มีอยู่ภายในจิตเพราะยังเป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอ น, นิจจทุกขังอนัตตาพอปล่อยวางความสุขต่างๆปล่อยวางมานะบ้าล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปพอหายไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือแต่จิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าปารังสุ ข, ขค่ับ เป็นความสุขที่ไม่มีจระเข้ไม่มีเสือ่อมเป็นความสุขที่เป็นของคู่กับความสะอาดโดยสุด ข, ของใจนี่คือจุดสุดท้ายของการปฏิบัติก็คือการให้เข้าถึงความสะอาดโริสุ์ของใจนี้เองด้วยการปล่อยวางตั้งแต่ขั้นต้นก็คือปล่อยวางราบยกสระเสริญปล่อยวางูน้สียงกิเลส แล้วก็มาปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสังขารหยิญญาณแล้วก็มาปล่อยวางสิ่งต่างๆความสุขที่ละเอียดตัวตนที่มีอยู่ในจิตให้หมดไปพอปล่อยหมดไปแล้วก็จะเหลือแต่ความว่าที่เรียกว่าปรมังสุญา์ลิบานังปารมังสุญญ์มุตบานังปารามังสุขขันนี่แหละคือความหมายของคาําล่านืบ ไม่ได้ว่าหมายความว่าพอถึงนิพพานแล้วจิตจะอันตรธานหายไปจิตไม่มีวันที่จะหายไปได้เพราะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มาแต่ดั้งเดิมและจะมีต่ออยู่ต่อไปเพียงแต่จ ะ, จะอยู่แบบไห น, นอยู่แบบบริสุทธิ์หรืออยู่แบบไม่บริสุทธิ์เทนั้นผู้ที่อยู่แบบบริสุทธิ์ก็จะอยู่กับป ร, ม อ, ขขอบปรมองสุขังอยู่กับบรลมุสุขผู้ที่อยู่กับจิตที่ไม่บริสุทธิ์ ก็อยู่แบบเวียนว่ายตายเกิดอยู่กับทุกขังอยู่กับอนิจจังทุกขังแล้วนตายที่นั่นคือเรื่องของการปล่อยวางที่พวกเรามาศึกษาและพยายามที่จะนำเอาไปปฏิบัติเพราะเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาตั้งอยู่ในความสงบได้ตลอดเวลา จึงขอฝากเรื่องของการมาตามเทศตางธรรมเพื่อมาเอาความรู้อันเริบของพรอพระเจ้านี้ไปเป็นแสงสว่างนำทางพาชีวิตให้ไปสู่ความสุขที่ถาวรต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ใช้ฝนเป็นตัวอย่างในสภาพของความเป็นอนัตตาใช้อุเบกขาที่เรานั่งเฉยๆรับกับสภาพของฝนตกได้ถ้าเรารับกับสภาพของความแก่ความเจ็บความตายได้แบบกับสภาพของฝนตกเราก็จะไม่มีความทุกอยางที่เราทำไม่ได้ก็เพราะว่าเรายังไม่มีำกำลังควบคุมความพยศของใจนัยนเอง พอใจพยศแล้วมันมันมันมันหยุดปัญญาเพราะเราไม่มีเครื่องมือเรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิอะไฉะนั้เนเราต้องหมั่นจเจริญสติให้มากๆหมั่นจเจริญสมาธิแล้วก็หมั่นจเจริญปัญญาตามลําดั บ, บต่อไปแล้วต่อไปเราจะสามารถรักษาความนิ่งความสงบของใจได้อยู่ทุกเวลา อยู่กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่น่าเชื่อ ว, ว่าญาติโยมมารวม ก, กันได้นะเพราะผลแท้ี่ถ้าไม่ผลนะเวลาคนมานี่จะนั่งหากันกันธรรมดามาไม่ดีวคนนี้คนจะนั่งคนละมุมเราลำบากใจเพราะว่า ถ้าไม่ได้ใช้ให ม, ม่ต้องพูดต้องใช้เปล่งวาจาก็ต้องขอร้องให้เ ข, เข้ามาใกล้ๆเ่จะได้พูด <S <S พูดได้อย่างสบาย <S <S <โ transcript>แต่วันนี้เราเข้ามาใกล้ชิดกันได้เพราะเหตุการณ์บังคับแบบว่าที่หลวงพ่อบอกว่ามี สติปัญญาให้ไม่คงและคนที่จิตเม่อจิตเม่อแล้วทีชชช่ช้าในใจไม่คูดูคูดูขึ้นมารืเนี่ยจะทํำยังไงจะควบคุมได้คือตอนนั้นยังไม่มีสตินะทัานแรกเราก็ต้องใช้สร้างสติขึ้นมาการสร้างสติก็ให้เราท่องพุทโธ ไ, ไปทั้งวันอยากไปคิดอะไรพยายามบังคับใจหลอกให้ท่องพุทโธพุทโธไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องของคนอื่น ให้สนใจกับเรื่องของการท่องพุโทโธกับการทําภารกิจหน้าที่ของเราไปคนอื่นจะดีจะช่วยก็เรื่องของเขาถ้าเรามีสติก่อนพอเรามีสติแล้วทีนี้เราก็จะค่อยพิจารณาเรื่องของคนอื่นได้เราก็จะปล่อยวางก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินี่พอเห็นอะไรแล้วใจมันก็จะเป็นบ้าไปกับสิ่งที่เห็นทีมันทยอยขึ้นมาทันที หมืนกับมาที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมม้ามันก็เวลาไปเจออะไรมันตกใจมันก็จะพยศมันไม่สนใจคนมีคนขี่อยู่บนหลังมันมากอไแต่ถ้าคนขี่นี้มีเครื่องมือเครื่องม้เครื่องมือควบคุมมันครับเวลามันพยศก็สามารถหยุดการพยศของมันได้อันนี้มันก็จะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและกับผู้อื่น การจเจริญสติเนื่องจึงเป็นธรรมะที่สําคัญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าสตินี้เป็นททวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําคัญที่สุดสําคัญกว่าสมาธิสําคัญกว่าปัญญาสําคัญกว่าการหยุดค้นวิบูติเพราะว่าวิบูติหยุดพ้นปัญญาหรือสมาธินี้ถ้าไม่มีสติจะเกิดขึ้นมาไม่ได้นั่นเองสติจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ของธรรมทั้งหลายธรรมทั้งปวง ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพ่อแม่ถึงแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเป็นได้เพราะไม่สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีพ่อแม่ก่อนพ่อแม่ถึงแม้ว่าจะไม่มีความยิ่งใหญ่เหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่มีความสําคัญในการให้พระพุทธเจ้ามีโอกาสได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันใ้นสติก็เช่นเดียวกันสติตามลมทางไม่สามารถทําให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นได้แต่ถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถทำให้จิตสงบได้ถ้าจิตไม่สงบก็ไม่สามารถที่จะเจริญปัญญาได้ถ้าไม่เจริญปัญญาได้จิตก็จะหลุดพ้นไม่ได้ดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับสติเป็นอย่างมากถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเด็กก็คือก่อนที่จะเดินหรือจะวิ่งได้เด็กจะต้องหัดยืนให้ได้ก่อน ถ้ายังยืนไม่ได้พอลุกขึ้นมาจะวิ่งเลยจะเดินเลยจะล้มทันทีต้องหัดยืนให้ได้ก่อนยืนให้แข็งแรงก่อนพอยืนแข็งแรงแล้วทีนี้ก็เดินได้อย่างสบายจะวิ่งก็วิ่งได้อย่างสบายทันใดถ้ามีสติแข็งแรงแล้วจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้จะให้จิตรวมเมื่อไหร่ก็รวมได้พอจิตรวมเป็นสมาธิแล้วก็สามารถสอนให้ใจปล่อยวางได้ เพราะสมาธินี้มีกำลังมีความสุขที่มีเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากความอยากต่างๆความอยากได้ลาบยศสารเสริมอยากได้ยูกิ๋งกลิ่นรสนี้สูกความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ผู้ใดที่ได้ความสงบแล้จะจะเบื่อกับความสุขทางลาบยศสารเสริญจะความสุขทางตาหูจมูกทิ้งไป จะออกบวดกันได้ถ้าใครได้เข้าสู่ความสงบแล้วจะออกบวชกันเท่านั้นเพราะพุทธเจ้าก็ทรงสัมผัสกับความสงบนี้ตั้งแต่ตอนพระเยาว์วัยตอนที่พระองค์ทรงประทับอยู่ตามยมภั น, นั้นเป็นวันที่มีงานแล่นนาขวัญพวกบรรดาข้าราชบริพารก็ไปวุ่นวายกับภารกิจอย่างอื่นคอยให้พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ตามยมภัน จิตของพระองค์พอไม่มีใครมาวุ่นวายมารบกวนห่างไกลาจากลูกเสียงถึงลถปวดตาพระจิตที่มีกําลังของสติคอยดึงไว้ก็ดึงเข้าสู่ข้างใน ท, งทันทีติดเข้ารวมเข้าเป็นอัปปนาทันทีพระองค์จึงเห็นว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแต่ตอนนั้นยังทรงยาวไวา้อยังไม่เป็นตัวของตัวเองได้ก็ต้องอยู่ในวางต่อไปจนในที่สุด พอมีอายุมากแล้วแล้วพอได้ทรงพบกับเทวทูตทั้งสี่ที่มาทรงเตือนพระองค์ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องไปํำเนินภารกิจเพื่อการดุดพ้นจากการเยนว่ายตายเกิดต่อไปประจว ก, กับได้ข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชเจ้ า, ล, าลดขึ้นมาเวลานั้นก็เลยเป็นเวลาที่จะต้องเสด็จออกบวช ก็รู้ว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะถูกบ่วงของลูกมัดเอาไว้จะไม่สามารถจะเด็ดสอบบวชได้ก็เลยจะเด็ดออกภายในคืนนั้นเลยนี่เป็นเพราะว่าพราะองค์มีความสงบแล้วถ้าไม่มีความสงบแล้วไม่ท่าไปเพราะจะกลัวกับความทุกข์ยากลําบ <c oughs> ากของการไปอยู่ฝ่าอยู่แบบท่างบวชสมัยก่อนนี้ลำบากกว่านักบวชสมัยนี้มาก พระบวตสมัยนี้มีศรัทธ า, ายากอยูคอยดูแลเลี้ยงดูอย่างเต็มที่สมัยนั้นท่านไม่มีอะไรเลยเสื้อผ้า<ม>ที่เพิ่มนุ่มหอมนี้ก็ต้องใช้ของเก่า<ม>ไปหาผ้าเก่าๆที่เขาทิ้งไว้แล้วมาตัดมาเย็บเป็นจีวรเขาเรียกว่าผ้าบางสกลุลไงคำว่าบางสกลุลก็คือของเก่าไม่ใช่เป็นผ้าที่เขา เป็นทับพ้าออกมาแล้วก็ า, ามาถวายจะให้ตัเดเย็บหนังสมัยนี้สมัยก่อนต้องไปเก็บผ้าพที่รู้ผ้าพที่เขาทิ้งตามกองขยะทิ้งตามปา่าช้าเนื้อคือการอยู่ของนักบวชสมัยพระพุทธเจ้าอยู่อย่างยำบากมากทีเดียวถ้าไม่จิตใจไม่มีความสงบแล้วจะไม่สามารถอยู่กับความทุกข์ยากลำบากแบบนี้ได้แต่ถ้าอาจมีความสงบแล้ว กายจะไม่หิวกับเรื่องของลูกเสียงกิ่นวัดเรื่องของกัจจัยสิ่จะอยู่ได้และตามมีตามเกิดได้อย่างสบายอยู่อดอดมือ้อกินมื้อก็ได้มีอาหารอย่างไรก็รับประทานได้จะนอนตรงไหนก็นอนได้ขอให้เป็นหลบที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอส่วนแรงก็อยู่ตามคนไม้อาจจะทําเพลิงทําด้วยเพลิงทําด้วยกิ่นไม้เพื่อที่จะกันไม่ให้ เวลานัา้นเวลาฝมตกนั้นจะได้ไม่เข้ามาทำให้เกลียดแต่ถ้าอยู่ในสถานที่เอื้อต่อการเจริญสมถะภาวนาที่เอื้อต่อการเจริญสติเอื้อต่อการเจริญปัญญาท่านถึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้อย่างรวดเร็วสำหรับพระพุทธเจ้านี้ก็ทรงใช้เวลา6ปีด้วยกันเนื่องจากว่าไม่มีครูบาจารย์ถ้ามีครูบาาจารย์ สมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธเจ้าก่อนรับรองได้ว่าเทียงฟังธรรมทั้งสองครั้งทาง่ทานก็จะบรรลุได้ทันทีเหมือกับพระสาวกทั้งหลายที่มีศีลมีสมาธิอยู่แล้วพอฟังเทศน์ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็จะบรรลุเป็นท่าอัลลังกันได้เลยเพราะท่านมีธรรมมีภูมิรองรับปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเอง แต่สำหรับพระพุทธเจ้าเองนี้ไม่มีผู้มาสอนสิ่งที่ไม่มีใครรู้ในสมัยนั้นก็คือพระอริยศักสิไม่มีใครรู้ว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่มีใครรู้ว่าวิธีการดับความทุกข์ก็ต้องเกิดจากการมีปัญญามีปัญญาเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากความอยากแล้วก็สิ่งที่อยากก็ไม่สามารถที่จะให้ความสุขแก่ใจได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจังเป็นมรรคตร ได้ามาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปนี่คือความจริงที่มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถเห็นได้ด้วยตนเองถ้ามมนมีผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาบอกพวกเราให้รู้ให้ดูให้เห็นนั้อนอริยสัจสีเห็นนี้นจังทุกขังอนัตตาเราจะไม่มีวันเห็นได้เลยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นความสุขเห็นอะไรก็ว่าสุขเห็นอะไรก็ว่าเที่ยง เห็นอะไรก็ว่าเป็นของเราแต่ความจริงแล้วมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราเห็นกับกบามเห็นกองเราสิ่งที่เราเห็นเขาไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ของเราต้องมีพระพุทธเจ้าเพระมีพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏมีภาหลังขึ้นมาเป็นจํานวนมากมายเลยเียงระยะเจ็เดือนแรกของการประากาศพรศาสนาคือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดไปจนถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาคา บ, บุชา ก็มีพราอรหันอย่างน้อยก็นึอรรูปด้วยกันมารวมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมๆกันโดยที่ไม่ได้ละเมายกันมาก่อนมาจากสารพิษต่างๆกันนี่แหละคือความอัศจรรย์ของการปรากฏของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานั้นถือว่ามีเทคมีว่าาสนาอย่างมากที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้ เพราะว่างานนานสักครั้งหนึ่งที่จะมีพระพุทธศาสนามาประกอบให้เป็นที่สัการะบูชาเป็นที่พึ่งของสามโลกนั้นก็จะอยู่ไปได้ไม่นานอยู่ได้เพียงระยะประมาณสักห้าพันปีสําหรับศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเวลาเป็นกลับคาว่ากลับก็แปลว่าหลายล้านล้านปีเลย กว่าที่จะมีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้ามาตัดสินอีกครั้งหนึ่งและการที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ครั้งต่อไปหรืออีกหลายหลายครั้งต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาใหม่หรือไม่จังหวะมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้วันนี้เป็นจังหวะดีโชคดีชาตินี้ที่มาได้พบกับพระพุทธศาสนาเรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเียนว่าตาเกิด ได้ภายในชาตินี้เลยถ้าเราไม่พบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะทำได้แต่บุญสะสมบรารมีไปเทีเ่ยวเล็เที่ยวน้อยไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีบรารมีแต่ข้าวพอจนสามารถบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยไ ด, ไ, ดได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เวลาหลายล้านกับด้วยกันดังนั้นะนะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะ เศษรษฐกิจที่ต้องใช้เวลาหลายลจากถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าตอนนี้เรามีาศาสนาพุทธแล้วเรามีพระธรรมคาสอนแล้วถ้าเราเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติไม่เกินเจดปีพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ในตอนท้ายของมาสติปัฏฐานสูตรทรงสอนให้เจริญสติทรงสอนให้ทําสมาธิทรงสอนให้เจริญปัญญาเพื่อปล่อยวาง ด้วยเวขานาสัญญาสังขารยัญญาปล่อยวางจิตพะปล่อยได้ภายในเจ็ดปีนี้ต้องส่ทรงรับรองว่าจะต้องได้บรรลุอย่างแน่นอนไม่มีเวลาใดไม่มีตอนไหนที่จะมีใครมารับรองเราได้มีเพียงตอนนี้เท่านั้นของจัตนาพุษถ้าเราไม่รีบตักตวงช่วโอกาสพอหมดโอกาสไปแล้วทีนี้ก็ อาจจะต้องรอไปอีกหลายล้านกลับด้วยกันเราก็ยังต้องยืนไหว้ตายเกิดต้องมาร้องห่มร้องไห้ต่อไปน้ําตาที่พวกเราร้องห่มร้องไห้ในแต่ละพวกแต่ละชาตินี้ถ้ามาเมียนกันแล้วท่านบอกว่ามากกว่นาน้ําในมหาสมุทรเลยกให้คิดดูก็แา้วกันว่าความทุกข์ของเหล่านี้มีมากน้อยเท่าไหรและจะมีมากต่อไปอีกนานเท่าไหร่ อย่ามาหลงยึดติดกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากราบยศสรรเสริญ จ, จากรูกเสียงกลิ่นลกลิะภะเลยเพราะเป็นความสุขเหมือนที่เหมือนเหยื่อที่ติดอยู่กลางเลเป็นความสุขที่มีความทุกข์เกี่ยวใจไว้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่สิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบเสื่อมจากเราไป เวลาเสื่อมลาบอยากจะละเสืเส่อมความสุขทางตาหูจมูกร่้นกายความสุขที่ได้นั้นหายไปหมดเลยแต่เหลือแต่ความทุกข์ทรมานใจนั้นตอนนั้นก็ไม่มีอะไรจะมาช่วยดับได้นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่สะสมธรรมไว้ตั้งแต่บัดนี้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็จะไม่มีอะไรมาดับความทุกข์ใจได้เหมือนกับถ้าเราไม่เตรียมเครื่องแบบเพลิงไว้เวลาเกิด ไฟลุกขึ้นมาเราก็จะไม่สามารถดับไฟได้เพรฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกเราอย่างน้อยก็ให้มีแบ่งเวลามาให้กับการเจริญธรรมะกันบ้างถ้ายังไม่สามารถสลบทางโลกได้หมดเลยอย่างน้อยก็ขอให้แบ่งมาสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีมาทำมาสะสมธรรมะไว้บ้างเกอดในวันข้างหน้าเวลาที่เรา พบกับความทุกข์ที่เกิดจากความเสียงาจเราจะได้มีธรรมะมาดับความทุกข์ภายในใจของเรความทุกข์ของเราจะได้ไม่ถึงขีดที่ว่าจะต้องทําให้เราฆ่าตัวตายกันคนที่ฆ่าตัวตายนี้แสดงว่าเขาไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์เลยเขาไม่มีธรรมะที่จะมาสอนให้เขาทําใจให้เขาจบได้เลยเขามีแต่ความอยากได้ความสุขที่เขาสูญเสียไปกลับมาเท่านั้นพอไม่ได้กับงานเขาก็จะอยาก ค่าตัวตายยังขอให้เราพยายามทำรุมทำทานกันรักษาศีลกันภาวนากันจเจริญสตินั่งสมาธิจเจริญปัญญากันเพราะนี่แหละเป็นการสะสม น, น้ำดับความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจนของเราต่อไป ที่ควรจะเปิดต้องการให้ยาติโยมที่ต้องการจะถวายของได้เข้ามาถวายกันขอให้เปิดทางแบบเข้าออกทางเดียวกันนะวันเวจะได้ง่ายเข้าทางด้านซ้ายแล้วก็ออกท า, ดางด้านขวาใครไม่ถวายอะไรก็ช่วยเปิทางนัหน่อยนะครับเรวก็นะครับ ม, ม, มาทางเดียวออกทางเดียวแล้วนะครับนวนทานี้ออกตรง น, นะ จ ะ, จะได้เรียบร้อยนะครย์เนี่ยครเรยกจะเปนระธต้องปใัใจัว่าข้างหน้านี่เลครับ เป็นดีคุณแม่ค่ะเแม่ฝาก้าทาบุญบอกว่าชงาีนดีใจมากเลยทุกที่คุณแม่ฟังธรรมะของอาจารย์แล้วี่นี่มีความสุขมากเลยเองก็ดีใจเป็น้วยจะและคุณแม่เลยค่ะมาทำบุญจจัยอยู่นี่เลยจคะ อันีเป็นของที่ทำเองแล้วก็เดตขายเพื่เผยแพร่วิท้าศาสตร์นะเวลามก็เพลงอะไรอย่างนี้ใจมันก็อยู่ได้แต่ว่าเวลาอยู่เองนี่จะปื่นมาดีใจมันไม่มีอะไรคอยเด้งมแล้วคิดคุยแต่งไปเรื่อย เจอเดี๋ยวก็เลออีกไม่เจ้าค่ะไม่ป็นไรเราทไปเรื่อยๆต่อไปก็ไดพยายามเราต้องทำอยู่ตลอดไมได้ก็จะต้องหัวใจเราถือว่าใครทาอะไรถูกนี่รก็ลองทใจไ่ต้หลงนก็ลอกลับไปดูีหนที่าต้อง เราเรายังไม่เห็นว่าเราไม่ได้วังใจวันจริงเราไม่เห็นว่าเราเรายังมความอยกาอยาใหเา่หนดา้องก็จะไมว่าเราไปไปฟังสั่งเรไม่ได้เราจะเป็นไปตางจานจานหนึ่งที่้ายกับมาใานที่ทางแน่เราทาดองไปไปวนแล้วมากลับมา ก็ยังไม่ลงเส็มที่เรื่ว่าลงเฉพเดนั้นแล้วเรื่องกไม่เราก็ต้องก้ัาอยูตรงนี้การบอกเเาอยากให้เขาเปิดตานใ่นใจเานเราไม่เามอบไม่เขาใจนะยนรี่เราาาเาัก็อยงก็้าอยากให้ยก็ารี เราเป็นตัวรู้กันเรารู้มันเรื่อนี้ด้วยการยึาควรจะตตนเด็กว่าวจะงเก้ามันเรื่องกทอะไรก็ทต่ัน